เราต้องสังเกตเอาจะเป็นคนที่เราสังเกตตัวยงในเรื่องเนี้ยก็ต้องฝึกฝึกอย่างหนักเลยตัวเนี้ยต้องฝึกอย่างหนักอ่ะเราต้องสังเกตเอาว่าเนี่ยมันหลงเลยรู้สึกตัวที่สมมติว่าอย่าไปกลัวหลงะที่หลวงปู่ดูละตูโลว่าอย่าไปกลัวหลงเพราะอะไรถ้ามันหลงได้มันจะได้รู้สึกตัวเออถ้ามันไม่หลงแล้วมันจะไปรู้สึกตัวเป็นยังไงก็ต้องหลงสักขอดแล้วก็โอไว้หลงแบบนี้ เออหลงหลงลงนี่ก็หลงอีกแล้วนี่ก็หลงอีกแล้วนี่ก็หลงอีกแล้วนี่ก็หลงอีกแล้วเออมันจะได้รู้ว่าหลงทุกหน้าเลยอีนี้เดี๋ยวมันจะหลงจะไม่มีหน้าจะหลงแล้วไม่อย่างงี้ก็หลงอีกแล้วไม่อย่างนี้ก็หลงอีกแล้วเออหลงไปหมงมูดอีกแล้วเอออย่างนี้หลงไปโคลนคิดอีกแล้วหลงไปเบอรส่งจิตออกนอกเมื่อเอเพลินอีกแล้วเออนี่ก็หลงไปทําความรู้สึกตัวอีกแล้วนี่นี่ก็หลงไปพยายามทําอะไรเป็นอะไรอีกแล้วเออนี่หลงไปตะโกดจิตอีกแล้วมันจะหลงทุกหน้าเนี่ยเดว เดี๋ยวมันก็จะเข้าใจว่าอ้าวหลงอ้าวหลงแล้วเพราะไอ้หลงเนี่ยแหละมันเลยเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าไม่มีหลงเนี่ยมันจะไม่มีรู้สึกตัวหรอกมัจะหลงไปนานหรือหรือไม่นานช่างมันเถอะแต่ขอให้หลงแล้วก็ให้ให้รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็จําหน้าตาไอ้ที่หลงกับรู้สึกตัวให้แม่นๆเออเดี๋ยวก็หลงอีกรู้สึกตัวแป๊บเดียวนะหลงต่อเออหลงต่ออย่าไปกลัวหลงเพราะอะไร ไอ้ที่หลงเนี่ยมันทําให้รู้สึกตัวเพราะไม่หลงแล้วจะไม่รู้สึกตัวกับอะไรเออเออไอ้ที่มันรู้สึกตัวคาวไว้เนี่ยคือหลงไอ้ที่พยายามรู้สึกตัวคาวไว้เนี่ยน่ะคือหลงนะเออเออคือหลงวันมันต้องอย่าไปกลัวลกับที่มันหลงละมันต้องหลงซะก่อนแล้วก็รู้สึกตัวโอ้ยไม่หลงทั้งวันเลยวันนี้เว้ย อ, อันรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็จําหน้าตาได้แล้วว่าหลงมันเป็นแบบนี้ นี่หลงมันเป็นแบบนี้แล้วเองอย่าหลงแบบนี้อีกนะสอนมันแล้วก็เอา้ารู้สึกตัวขึ้นมาอ๋อรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้รู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้รู้ในปัจจุบันเลยรู้ในปัจจุบนันสอนในปัจจุบนันสอนตัวเองในปัจจุบนันต้องหาจากประสบการณ์อย่างนี้เนะี่ยหาจากประสบการณ์ตัวเองแล้วต่อไปเนี่ย มันก็จะมิดโตะมันจะหลงท mm ั้งนั้นอ่ะมิจะหลงมางนั้นอ่ะไม่มีรู้เลยเพื่อจะหลงนี่ก็หลงอีกแล้วนี่ก็หลงอีกแล้วนี่ก็หลงอีกแล้วนี่ก็หลงอีกแล้วหลงทั้งวันเลยนะรู้สึกตัวแป๊บหลงรู้สึกตัวแป๊บหลงรู้สึกตัวแป๊บหลงแต่ให้ขยันเนี่ยขยันแบบนี้ให้หลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ไม่ใช nah. ่ว่ารู้สึกตัวมาแล้วก็ไม่ไม่ดูเลยว่าหน้าตายหลงก็รู้มันแตกต่างกันยังไง่ะเนี่ย แล้วก็กลัวมากเลยกลัวจะหลงไอ้ที่กลัวจะหลงเน่ยคือห uh, ลงตลอดเวลาเลยตอนนี้ยไม่ต้องกลัวหลงหลวงตาครับแล้วที่บอกว่าเริ่มช่วงที่แบบมีสติต่อเนื่องนะครับห <specification. S 2> ลวงตาที่ ท, ท, ที่ที่เหมือนกับ ว, ว่าไม่หลงแล้วครับหลวงตามันเป็นยังไงครับหลวงตาที่เริ่มมีสติต่อเนื่องไม่ไม่ขาดสายค<ไ>รับเลยอันเนี้ยปัจจตังปัจจตังปัจจตังเลยว่ามันมันมันมันหลง หลงจนกระทั่งมันโอ้โหเห evet, oh ็นหน้าตาหลงหมดเลยแล้วมันเป็นรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วค่อยๆมันจะค่อยๆรู้ว่าเออตอนนี้มันรู้สึกตัวมากกว่าหลงไว้ไอ้ตรงเนี้เป็นปัจจตังเลยเจ้าตัวเจ้าว่าเริ่มรู้สึกว่ามันรู้ทักไอต่อวันเนี่ยแต่ละวันเลยอ่ะแต่ละวันเนี่ยมันมีความรู้สึกตัวมากกว่าหลงไอ้เจ้าตัวจะอ่านออกเองไงตรงนี้เป็นปัจจตังเราจะบอกว่าฝึกไร้มีสติไม่หลงคาไว้ไม่ได้ไม่ได้มันจะ อ่านได้แ hmm. ต่เพียงว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยมันหลงมากกว่ารู้เว้ยวันนี้เราหลงมากกว่ารู้แต่เราก็ไม่เสียหายเราก็เห็นหน้าตาของเออไอหลงเนี่ยแต่ละหลงเนี่ยเราก็จะจําได้ว่าวันนี้เราหลงมากกว่ารู้เออถ้าอย่างเงี้แสดงว่าครูเป็นคนรู้แล้วเจ้าเป็นคนรู้แล้วว่าเราเนี่ยวันนี้หลงมากกว่ารู้เออแสดงว่าครูเนี่ยเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วว่าวันนี้หลงมากกว่ารู้เอ้าเอาเดี๋ยววันรุ่ขึ้นเราก็ต้องรู้มากกว่าหลง เพราะมันหลงวันนี้มันมันมันมองออกวันนี้ว่าหลงมากกว่ารู้แล้วแสดงว่าคุณเก่งแล้วคุณสามารถรู้แล้วว่าวันเนี้มันหลงไม่กี่คนแล้วมันรู้ขึ้นมากี่ครั้งเออต่อไปกูก็จะจําหน้าได้แล้วว่าอวันนี้เราชักเริ่มเก่งแล้วเว้ย you know วันนี้ <Bike. S 1> เราช <hay S 3> ักรู้มากกว่าหลงเว้ยชักให้กําลังใจตัวเองแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มจะชนะแล้ววันนี้เราชักชักชักชักรู้มากกว่าหลงแล้วชักรู้มากกว่าหลงเราเริ่มเริ่มได้ใจแล้ว เริ่มได้ใจว่าเราได้ชักเก่งแล้วเช็กชิงแชมป์โลกจะขึ้นชิงแชมป์โลกได้แล้วเออเออเกชิงแชมป์โลกได้แล้วเราผ่านคู่ต่อสู้เยอะแล้วตอนนี้มันจะรู้มากกว่าหลงแล้วตอนนี้มันเจ้าตัวจะรู้เองว่ารู้มากกว่าหลงเออตอนนี้ชักจะเริ่มชิงแชมป์โลกได้แล้วเออเริ่มชิงแชมป์โลกได้มันก็เริ่มตัวนี้ยเริ่มได้ใจมันก็จะรู้มากขึ้นกว่าหลงแล้เนี้ยวันตะลาวันไป่ตะหลนจะรู้มากขึ้นกว่าหลงจะรู้กันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็หลงน้อยลงหลงน้อยลงหลงได้ลงหลงได้ลงหลงน้อลงรู้สึกตัวมากขึ้นเย ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปจนตลอดสายแหละครับหลวงตาที่ว่ารู้แล้วหลงรู้แล้วหลงไม่มีอะไรมากกว่านี้นไม่ใช่หลงเออเออรู้หลงหลงแล้วก็มารู้ครับเออหลงแล้วก็มารู้ครับก็ก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรนะครับหลวงตาก็ปล่อยให้หลงรู้หลงรู้อยู่งี้ไปเรื่อยๆจนตลอดสายแล้วครหลวงตาเออใช่ใช่แต่มันจะสั้นลงมันจะน้อยลงอ่ะคือหลงเนี่ยมันจะน้อยลง ลงก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้รู้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆรู้ที่ว่ารู้ที่ว่าเป็นพุทธะะครับหลวงตาที่ว่ามันหลุดจากความคิดหลุดจากปรุงแต่งเนี่ยแหละครับหลวงตาที่ว่ารู้รู้ที่เป็นพุทธะที่มันไม่หลงใช่ไหมครับหลวงตาที่หลวงตาบอกอก็คือพ้นทุกไปเลยก็แค่ใจที่มันตื่นรู้แล้วก Pero ็ไม่ติด <Bloomberg> like right? อะไรอย่างเงี <ki> ้ยแหละครับหลวงตาตื่นรู้ตื่นรู้มีสติตื่นรู้อยู่ทุกขณะปัจจุบันมีสติตื่นรู้อยู่แต่อันนี้มันเลยละเลยสติตื่นรู้เดยยังฝึกอยู่ แต่พอพอท่านพ้นทุกข์แล้วพระอรหันต์ท่านใจคําว่าอยู่กับรู้อยู่กับรู้แล้วคือรู้อะไรวะรู้ว่าไม่หลงอีกแล้วไอความหลงอีกไม่มีแล้วจบแล้วไม่มีหลงอีกแล้วแต่หมายความว่าถ้าตาับไดเรายังไม่ได้เป็นอริยะเนี่ยมันก็จะต้องหลงไปเ ร, เรื่อยเป็นปกติแต่ว่าเราก็จะรู้บ่อยขึ้นตามความชํานาญในการฝึกใช่ไหมครับหลวงนา <S <S ใช่ใช่ก็จะไม่หลงก็จะเห็นหน้าละเอียดขึ้นอันนี้แล้วแต่ปัจจิตตังว่าใครจะเห็นอะไรยังไง ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่เจ้าตัวจะรู้เองว่ายังไงมันจะรู้เยอะขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะหลวงตาใช่ใช่แก็คือว่ามันมันจะตัวจะรู้เองว่าตัวเองอ่ะมันมันมันมันรู้สึกตัวมากขึ้นหรือว่าหลงมากขึ้นแต่ไม่มีใครหลงมากขึ้นหรอกเพราะว่าแต่มันเริ่มรู้สึกตัวไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีความรู้สึกตัวมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีใครว่ารู้สึกตัวแล้วหลงรู้ตัวแล้วหลงเรามันจะหลงมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมันก็จะหลงเฉพาะที่มันมีเรื่อง อยู่างเงี้ยมันจะหลงหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้หลงรู้สึกตนแล้วก็รู้